บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปดังได้กล่าวมาในตอนต้นๆแล้วว่าโลกทั้งมวลนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปทูเจ้าทรงสรุปไว้ที่อริยสัจทั้งสี่ประการ คำสอนที่ทรงสอนแสดงไว้โดยอเนกกระปรยายในทีนน่นั้นๆโดยฐานะนั้นๆเป็นการแสดงอริยสัจในแง่มุมต่างๆโดยจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการจะให้คนได้รู้ทุกได้ละสมุทยัยไปทำให้แจ้งซึ่งนิโรธโดยการประพฤติปฏิบัติไปตามอริยมรรคมีองค์แปดประการ แต่พราะพื้นเพจะติตอัตยาศัยในแง่มุมต่างๆของบุคคลไม่เหมือนกันธรรมะที่เป็นไปเพื่อความขาจัดทุกข์จึงทรงแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆแต่ว่าเมื่อผลบังเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามสูตรของอริยสัจทั้งสี่คือความทุกข์ลดลงจนถึงดับไปกิเลสคลายลงจนถึงหมดไป ความสุขเพิ่มเพิ่มขึ้นจนถึงสมบูรณ์และการปฏิบัติตามเรมาร ก, ก็เกิดขึ้นและสมบูรณ์ในที่สุดนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดแต่ในขั้นตอนที่ลดดันกันลงมาบุคคลสามารถสวดผลของการปฏิบัติที่ปรากฏในจิตใจของตนได้ทั้งส่วนของทุกษะและส่วนของสมุทรพยาศัตริ์ที่ว่ามาแล้ว สมับในวันนี้จะได้พูดถึงการตรวจสอบนิโรธศะสัตว์ความจริงคือความดับทุกว่าจากผลแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะที่สืบต่อกันมาโดยลำดับนั้นบุคคลได้สัมผัสนิโรธได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรคาว่า น, นิโรธแปลว่าปราศจากสิ่งที่เป็นเครื่องเสียดแทงใจ โดยเจาะจงแล้วก็หมายเอากิเลสที่เป็นเหตุเสียแทงใจทำใจให้สายไปด้วยประการต่างๆการตรวจสอบดูสภาพของนิโรธก็คือตรวจผลของความดีงามทั้งหลายที่บุคคลได้ลงมือประพฤติกระทำก็เ น, นี้จะสังเกตได้ว่าการกำหนดตรวจสอบดู ผลจากการเห็นทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของตัวนั้นจะทำให้บุคคลได้รับความสุขเพิ่มขึ้นการตรวจดูสมุทัยสัตว์เป็นการช่วยลดเหตุแห่งความทุกข์ลงไปการตรวจดูสายของนิโรธสัตว์เป็นการสวดดูส่วนเพิ่ม ของความดีหรือผลดีทั้งหลายถ้าว่าบุคคลได้ประสบก็จะเกิดชันท่าอุตสาหะที่จะเพิ่มพูนส่วนของความดีเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายๆกับบุคคลต้องการจะเก็บสะสมเงินทองไว้บางวางก็เอามาตรวจสอบตัวเลขดูว่าได้ไปถึงไหนแล้วเมื่อเห็นว่า ใกล้จะได้ตามเป้าหมายก็จะเกิดชั้นท่าอุตสาหะในการเก็บรวบรวมสะสมสืบต่อไปโดยแมต่การศึกษาเรียนหนังสือก็มีลักษณะเช่นเดียวกันลักษณะของนิโรธที่ทรงแสดงไว้โดยส่วนของปริยัติหรือจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจนั้นด้แก่สภาพจิตที่ดับตันหาไปได้ ผู้ดโดยรวมๆก็คือดับกิเลสไปได้จิตที่ดับกิเลสไปได้นั้นจะกลายเป็นจิตที่เย็นขึ้นเป็นจิตที่สงบขึ้นเป็นจิตที่ว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์ได้ในบางขณะอาจจะทิ้งช่วงได้นานๆได้เป็นจิตที่มัน่นคงหรือคงที่ ดังนั้นท่านจึงมีชื่อเรียกท่านผู้มีท่านผู้เข้าถึงนิโรธไว้โดยอเนกประยายเรียกธรรมะเหล่านี้ไว้ด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไปเจ็ตบางครั้งก็เรียกว่านิพานเรียวความดับความเจ็นบางครั้งเรียกว่าสันติก็คือความส ง, งบบางครั้งก็เรียกว่าวิมุตติจิตใจที่หลุดพ้นจากกำนาของกิเลสเป็นต้น วนบุคคลอาจจะดูจิตของตนตามแนวของจิตตานุปั ส, สนาสติปัฏฐานคือตรวจสอบดูจิตในแต่ละขณะว่ามีกิเลสเกิดขึ้นกรุ่ม ร, มรุมใจมากเหมือนเดิมหรือไม่ทางนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่ากิเลสจะหมดไปจากใจเพราะในชั้นก็การศึกษาปฏิบัติเรียนรู้เป็นระยะของการเดินทาง ยังมีหนทางที่จะต้องเดินอีกมากแต่ก็ต้องตรวจสอบดูว่าได้เดินไป ม, มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วในคราวก่อนโอกาสอื่นๆอาจจะดูอำนาจแก่อารมณ์มากเวลาความรู้สึกโกรธก็ดีโลภ ก, ก็ดีหลงก็ดีหรืออย่างใดอย่างหนึง่งเกิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรรุนแรงไปตามอำนาจความรู้สึกเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันนั้นอาการที่ใจต้องถูกเสียดทางด้วยกิเลสในลักษณะนั้นมีมากเหมือนเดิมหรือว่าลดน้อยลงซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องน่าแปลกโดยการศึกษาโดยการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแท น, นที่กิเลสจะลดกิเลสก็เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นการเพิ่มกิเลสประเภทหนึ่งโดยการลดกิเลสอีกประเภทหนึ่ง เป็นอาการเดียวกับการกดลูกโปง่งคือมันแาบที่หนึ่งแต่ไปโป่งอีกที่หนึ่งพราะแ้จริงลมในลูกโป่งก็มีเท่าเดิมจิตใ จ, จของบุคคลที่มีลดส่วนหนึ่งแล้วไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกิเลสเช่นเดียวกันก็มีลักษณะอย่างนั้นหรืออาจจะเปรียบเหมือนโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวหนึ่งหายจะไปโผล่อีกแข้งหนึ่ง มีอาการจะเสียดแทงรุนแรงมากกว่าแล้วก็ัยต่อการรักเชื้อภายนอกมากกว่าได้ซ้าไปถ้าดูพเพราะเห็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าประสบความล้มเหลวถึงจะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไปความหมายประการต่อไปก็คือสละสละในที่นี้อาจจะสวจสอบได้ทุกชั้นแม้แต่ชั้นก็การสละ บริจาคช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลอื่นการสละในแนวนี้ที่จริงก็มีขั้นตอนในการเดินของจิตบางครั้งเป็นการสละในลักษณะแรกของขวัญกันที่เราก็ต้องได้ด้วยเขาก็ต้องได้ด้วยเราให้เป็นรูปธรรมเขาก็ต้องให้เรามาเป็นรูปธรรมเช่นว่าไปทําบุญอะไรยังต้องการของแจกของชารวยจุ่ ไปแสดงมือที่ตากับบุคคลอื่นอย่างแสดงอย่างต้องการของจารวยอยู่จะไม่ได้ของจารวยก็ไม่พอใจนี่แสดงเห็นว่าเป็นเจตนาที่จะเสียสละนั้นเป็นเจตนาที่ยังมียางเหนียวอยู่มากต้องการแลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนของกันเท่านั้นเองเป็นการสละอย่างหนึ่งเพื่อจับอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นการสละในลักษณะที่ปล่อยวาง หรือแม้แต่การสละหรืการบริจาคเพื่อมุ่งผลในชาติพบต่อไปในชั้นของการบำเพ็ญบุญระดับวัตถสงสารก็ไม่มีปัญหาใดแต่ถ้าในชั้นของจิตก็ถือว่าการสละในลักษณะนั้นยังไม่ค่าสัมผัสผลของนิโรธจริงๆแล้วก็ดูมาเรื่อยเรื่อยถึงการสละละวางอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อใจ ฉันยกตัวอย่างว่าในขณะที่มานั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั้นอารมณ์ที่จะต้องสละก็คือเรื่องของปริพ o o t ไปเกี่เครื่องกังวลใจทั้งหลายเป็นห่วงเป็นใยหน้าที่กิ จ, จการงานเครื่องใช้ชลูกเต่าทรัพย์สมบัติการงานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นตนเด้งก็ต้องมานั่งทาความสงบใจ แต่ใจแทนที่จะอยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐานกลับวิ่งออกไปข้างนอกก็ดูว่าได้สละละวางไปบ้างหรือไม่อย่างน้อยสิ่งที่เป็นอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นรุ่มรุมใจนั้นสละออกไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใรถ้าสละไปได้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้น แต่จะต้องใช้ความเปี่ยนพยายามปฏิบัติต่อไปคือสละละวางเรวยไปแล้วก็จะเห็นจิตใจของตนเองว่ามีเครื่องเสียดแทงใจน้อยลงเมื่อรู้สึกเป็นสุขรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเยือกเย็นใจคนก็จะมุ่งเข้าไปหาความสุขที่มากยิ่งขึ้นความเยือกเย็นที่มากยิ่งขึ้นความสงบที่มากยิ่งขึ้น ก็จะเข้าไปในกระบวนของอิธิบาททั้ง4ประการคือมีความพอใจมีความเพียรพยายามมีใจมุ่ง ม, มั่นใช้ปัญญาหาเหตุหาผลที่จะสัมผัสผลสูงขึ้นไปลักษณะความหมายอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายถอนการถ่ายถอนในที่นี้ส่งหมายเอาถ่ายถอน บ, บอาปอกุศลทุจริตต่างๆให้ออกไปจากใจ ตลอดถึงถ่ายถอนความเยื่อใจความอาลัยความโหยหาความพร่ำเพรอถึงอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตก็ดูลักษณะการถ่ายถอนใจว่าได้มีการเกิดขึ้นมากมายเชื่ว่าเคยมีความอาฆาตพยาบาทจองเวนอยู่ดูปริมาณของความอาฆาตพยาบาทว่า แลาวก่อนวันก่อนเดือนก่อนกับเดียวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมหรือยังมีความมาค่า พ, พยาบาทอยู่เหมือนเดิมเรื่องความสุขความร่ำรวยร่าพันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ถูกถ่ายถอนไปบ้างแล้วหรือยังแต่ยังไม่ได้ถ่ายถอนก็ใช้ความเปลี่ยนพยายามถ่ายถอนออกไปบุคคลถ่ายถอนออกไปมากเท่าไหร่ ความโปรง่งความเบาความสบายก็จะมังเกิดขึ้นแก่ใจป้าท่านั้นในความหมายหนึ่งก็คือมุติที่แปลว่าหลุดพ้นจะถามมาหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสแต่อารมณ์ดังนั้นบางครั้งท่านเรียกท่านที่สัมผัสผลเหล่านี้ว่าเป็นตาทินโนคือผู้คงที่ หมายความเอาไม่ถูกโยกครอนให้เกิดความหวานไวปด้วยหน้าของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นวัาจะเกิดขึ้นมาจากภายนอกคือมีแรงกระตุ้นมาจากภายนอกโดยการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายจดจึกึกด้วยใจก็ตามและสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในคือการเหนียวนึกของใจใจเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์นั้นๆ และในที่สุดก็นำตัวเองเข้าไปผูกพันกับอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมว่ามันเหมือนมแมลงมุมที่สร้างสายใ ย, ยขึ้นชักใจขึ้นแล้ไปขังตัวเองไว้ในสายใยเหล่านั้นเดิมที่เดียวสายใยของมแมลงมุมนั้นไม่มี ไม่ังมุมก็ไปสร้างสายใหญ่ขึ้นเมื่อสร้างแล้วตัวเองก็ไปติดอยู่ในสายใหญ่เหล่านั้นลักษณะของอารมณ์ลักษณะของกิเลส ก, ก็เป็นเช่นเดียวกันมีเรื่องเป็นอันมากที่เป็นเรื่องใหม่เมื่อก่อนก็ไม่มีจึงไม่ต้องพูดว่าใจต้องพ้นเพราะไม่มีให้พ้นแต่ในการต่อมาบุคคลไปกําหนดหมายอารมณ์เหล่านั้น หรือความเป็นของเราบ้างหรือความเป็นเราบ้างแล้วก็ผูกพันรุ่นวายเดือดร้อนอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็สอนตรวจสอบดูใจว่าใจได้พ้นจากความคิดเกี่ยวเกาะในอารมณ์เหล่านั้นบ้างหรือไม่ถึงความหลุดพ้นนั้นกว่าจะพ้นได้เป็นตอนๆไปพ้นในขณะนั้นนั้นคือไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ที่มากระทบ ไม่ก็อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบวมเมาในอารมณ์นั้นถ้าเป็นไปได้ก็ถือว่าใจพ้นจากอารมณ์นั้นได้เป็นวิมุตระดับหนึ่งผลก็คือความสงบเย็นก็จะเกิดติดตามมาในชั้นต่อไปก็เป็นความหลุดพ้นทางใจที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรโดยสมถกรรมฐานซึงอาจจะตรวจสอบดูในขณะนั้นๆ น, น เวลาที่นั่งทำความส ง, งบใจอยู่เนี่ยใจได้พ้นจากอารมณ์ใจได้พ้นจากนิวรน์ข้อใดข้อหนึ่งบ้างหรือไม่หรือว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นตนสามารถสลัดให้พ้นไปได้ไหมอย่างน้อยก็ในขณะนั้นจะสามารถทำได้ก็จะเห็นความส ง, งบความเยือเกเย็นภายในใจถ้ายัางไม่เห็นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามให้เห็น พอมาถึงชั้นนี้แล้วจะไม่มีใครช่วยใครได้เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องโอปะนิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเองแล้วจะสัมผัสผลด้วยใจตัวเองในลักษณะที่เรียกว่าสันทิติโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้ด้วยตัวเองมีอารมณ์มีกิเลสมีเรื่องราวอะไรบ้างไหมที่ตนได้ตัดขาดไปจริงๆคือคนอย่างเด็ดขาด ไม่หวนกลับมาไม่ย้อนคืนมาสู่พฤติกรรมและการกระทำเหล่านั้นอีกแต่ว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนก็พ้นมาจากอะไรกันพอสมควรแต่ประการที่น่าสำคัญและน่าหุ่นใจก็คือว่าอาจจะพ้นจากอย่างหนึ่งแต่ไปเกาะติดตอีกอย่างหนึ่งซึ่งว่าที่จริงแล้วก็เป็นพาหะ นำมาซึ่งกองทุกได้เช่นเดียวกันทีร่รพ้นจากโลภะอย่างหนึ่งไปเป็นโลภะอีกอย่างหนึ่งพ้นจากโทสะอีกอย่างหนึ่งไปเป็นโทสะอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นก็คงชื่อว่าไม่พ้นอยู่นั่นเอ ง, อางการดูพ้นก็ต้องดูพ้นจริงๆอย่างน้อยที่สุดคือกิเลสตหล่านั้นแม้จะมีก็ละเอียดตรงไม่หยาบจนก้าวร้าวรุนแรง ขาดจิตสำนึกที่เหมาะที่ควรคือคนสามารถคุมอารมณ์หรือคุมจิตใจของตัวเองได้บางครัง้งบางคราวแม้จะอยากทำจะพิจารณาการละเทศะบุคคลลุมชนกรณีนั้นๆแล้วเห็นว่าไม่ควรกระทำวินิจฉัยอารมณ์ในขณะนั้นเราก็งดเว้นไปได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นความพ้นภายในใจไปชั้นหนึ่งในะระดับน และประการที่สำคัญก็คือว่าเป็นความหลุดพ้นที่ไม่มีความอะไรหมายความว่าใจของตนนั้นที่บอกว่าพ้นแล้วยังมีอะไรอยู่ไหมถ้ายังมีอะไรอยู่ก็แสดงว่าไม่พ้นต้องพ้นอย่างไม่มีอะไร ทำนองคล้ายๆก็ว่าตัดสินใจเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไม่เลี้ยกลับมาอีกไม่มีอาการประวักประโนไม่มีอาการห่วงใจไม่มีอาการกระสับกระส่ายอย่างน้อยก็ในกรณีนั้นเรื่องของนิโรธจึงเป็นขอบข่ายของผลแห่งความดีทั้งหลายซึ่งบุคคลอาจจะดูในส่วนใจที่เกิดขึ้นจากการกระทําความดีอย่างอื่น เป็นความดีที่เกิดขึ้นจากการให้ทานพระเจ้าทรงแสดงอนิสงส์งของการให้ทานเอาไว้เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายก็ดูผลในเชิงรูปธรรมว่าเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนั้นตนเป็นที่รักของบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นที่รักของคนอื่นเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าได้รับผลแล้วในขณะนั้น ทำให้องค์อาจกล้าหาญไม่ขั้นข้าขมขำเกร่งในสมาคมทั้งหลายก็ด้วยจิตใ จ, จของตนยังมีความหวาดหวัน่นในสังคมมนุษย์นั้นอาจจะดูยากแต่ถ้าเราเข้าสังคมของสัตว์ปรุษสังคมของคนผู้ประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็ดูง่ายคือบางครั้งบางคราวนั้นแต่าอาจจะมีความรู้สึกแน่งใจ รู้สึกไม่ก้าหายไม่ชื่นบานอยู่ภายในใจในกรณีที่กรรมบางอย่างคนอื่นก็ททำได้เราอยู่ในฐานะที่จะทำได้แต่เราไม่ได้ทำในกรณีก็อ น, นุสงทานคนอื่นก็ให้ได้เราอยู่ในฐานะที่จะเราจะให้ได้แต่เราไม่ได้ให้และในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในกลุ่มของคนที่เขาให้ ก็จะทำให้รู้สึกว่ากระดากกระเดิงใจรู้สึกแหนงใจไม่สบายใจแต่เราจะเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าผลคืออานิสงส์ของทานในข้อนั้นก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจใจไม่องอาจไม่กล้าหารไม่เป็นสักกะไม่เป็นวิสาระธัสกโกคือผู้องอาจวิสาระธคือกล้าหารสามารถที่จะแสดงออกได้ทั้งสีหน้าและใจสอดคล้องสัมพันธ์กัน แล้วในข้ออื่นเช่นมีความกลัวต่อสัมปราพบคือกลัวตายไหมที่จริงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องลึกแต่ถ้าหากว่าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วบุญกุศลในชั้นใดชั้นหนึ่งที่บุคคลได้ทำให้แล้วเกิดผลภายในใจที่บุคคลนั้นเห็นได้เข้าใจได้ จริงๆแล้วคนประเภทนี้จะไม่กลัวตายที่เรียกว่าสัมมูลบาลีท่านชาคําว่าไม่กลัวต่อปารโลกท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตายไปนั่นดีกว่าอยู่เพราะมีสุขติเป็นจุดที่มุ่งหมายเป็นจุดที่หวังได้แต่ท่านนี้ท่านนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําลายชีวิต สูตรเต็มรูปของท่านผู้บรรลุนิโรดนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านน่ายต่อพบภพนายต่อโลกนี้แต่พระอาหารหันต์ท่านก็ไม่ทําลายชีวิตที่ท่านอุปมาว่าพระอรันนั้นนายรังเกียจต่อร่างกายตัวเองแต่ต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายรักษ า, า, าร่างกายเอาไว้เพื่อทําประโยชน์แก่สังคม เหมือนกับบุคคลน่ายรังเกียจขยะขยงต่อบาดแผลที่บังเกิดขึ้นภายในร่างกายของตนแต่ก็ต้องประครบระ ง, งมดูแลใจใส่เยียวยารักษาแผลนั้นอย่างทนุถนอมเพื่อให้แผลนั้นหายไปร่าง ก, กายจะมีกำลังสามารถประกอบภารกิจเพื่อตนและสังคมได้ในลักษณะของความอะไร าการถ่ายถอนความอาลัยก็ดีหรือถ่ายถอนความน่ายก็ดีไม่เว่าเป็นการปลาลูกบอลคือเด้งกลับไปแล้วไปตีอีกด้านหนึ่งเพราะผลนั้นจะต้องอยู่ในจุดที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาคือสายการถากว่าบุคคลสามารถตรวจสอบดูคุณภาพใจของตนในชั้นนี้ได้ในชั้นของทาน ก็จะเกิดปีติปราโมทย์ในทานมีจันทรอุตสาหาในทานสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นเรื่อจะดูในส่วนของศีลประเภทที่เป็นผลอ น, นิสงส์ที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธสัตว์เห็นที่ทรงแสดงว่าบุคคลจะได้สุกติก็เพราะศีลในพวกกสมบัติก็เพราะศีลมัุนนิพพานก็เพราะศีล ก็ดูผลศีลว่าได้ความสุขไหมคนบางคนรู้สึกอึดอัดขัดข้องในการที่ต้องสมาทานศีลบางคนรู้สึกว่าตัวเองถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยศีลทำให้สูญเสียอิสระแสดงว่าแม้แต่ความยินดีในีลนยังไม่ได้เกิดขึ้นสึงจะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไปและดูสุข คือความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจสุขที่เกิดจากความสงบระงับดับเป็ี่นภยัยตนได้สัมผัสไปตัสัมผัสได้ก็แสดงว่าได้รับปรนสง์ของศีลชั้นหนึ่เวลาไปในสถานที่ใดได้รับความโปร่งเบาใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องหวาดระแวง นี่ก็เป็นอานิสงส์ในชั้นหนึ่งที่เป็นสุคติเหมือนกันเกียการไปในสถานที่ใดก็ไปดีไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความมิตกกังวลหรือว่าความปลื้มใจที่เรียกว่าพวกกสมบัติที่ได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติติดตัวจริงๆประทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นนั้นไม่ใช่ทรัพย์ติดตัว แต่ว่าทับคือความดีนั้นเป็นทับติดตัวจริงๆถ้าบุคคลได้ความปลื้มใจแต่ความสุขความสงบใจแต่เรื่องนี้ก็ชื่อว่าได้สัมผัสนิโรธในชั้นหนึ่งแต่แม้แต่ความดับอย่างที่กล่าวมาแล้วคือเย็นใจที่เย็นให้ถูกแผดเผาเร่าร้อนด้วยกิเลสอาจจะเย็นเพราะมีเมตตาเป็นเรือนใจ อาจจะเย็นพระมีกรุณาเป็นเรือนใจอาจจะเย็นพระมืมตรมุติตาเป็นเรือนใจอาจจะเย็นพระมีสติสัมมาจัญญาเป็นเรือนใจเป็นต้นที่บุคคลสามารถตรวจสอบได้ล้วแล้วแต่เป็นอาการของนิโรธสัตว์ในชั้นหนึ่งดังนั้นธรรมะนั้นเมื่อบุคคลได้ศึกษาและปฏิบัติไปแล้ว จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและผู้ที่ตรวจสอบนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัตินั่นเองเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุคคลที่ปรุงอาหารปรุงแล้วก็ต้องชิมตรวจสอบรสชาติของอาหารเราดันใครเป็นคนชิมเราชิมของเราเองใหเรารู้ว่าเราต้องการจะปรุงอะไรแล้วก็รู้รสชาติของมันเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าปรุงอาหารเสร็จแล้วไม่ได้ชิม ก็เหมือนกับการศึกษาการฟังการอ่านการสนทนาการพูดแต่ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลอย่างแท้จริงจากสิ่งเหล่านั้นนิโรธจึงเป็นการพูดถึงผลที่แท้จริงที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในระดับในระดับหนึ่งซึ่งสรุปรวมว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในฐานะ น, นั้น นิโรธจึงเป็นเป้าหมายที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติดำเนินไปแต่ในการดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นก็จะรับผลแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับใครเดินได้มากเดินได้น้อยแต่ปัญหาว่าเมื่อเดินไปแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าได้เดินมาจริงหรือเปล่าบางทีเป็นการเดินหมุนไปคล้ายๆจะเดินจริงแต่ก็เดินไม่จริงเพราะหมุนอยู่ในที่นั้น การปฏิบัติธรรมจึงดูผลจากใจที่มีความก้าวหน้าไปมีความรุดหน้าไปอยาจะดูจากวาคหานางใดอย่างหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ก็ได้เป็นทรงแสดงว่าเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับก็ดูที่ความสงบดูที่ความรู้ยิ่งร่อความรู้ดีแต่ความดับที่เกิดขึ้นภายในใจจะมากหรือน้อยก็ตามถ้าดูเข็น แล้วก็ครบความดีงามเหล่านั้นก็ชื่อว่าได้รับผลในขั้นหนึ่งแล้วจากนั้นก็ใช้ความเพียรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางที่แน่นอนแต่ว่าการบรรลุการสัมผัสผลในแต่ละจุดนั้นเป็นการยืนยันถึงผลแห่งธรรมะว่าย่อมป้องกันคนไม่ตกไปในที่ชั่วให้ความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามสมควรแก่ฐานะ น, นั้นได้จริงๆอย่างที่พระรัจ้าทั้งหลายท่านได้พิสูจน์ทดสอบมาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป